Book 2ห้าสิบหมาสิบที่สระว่ายน้ำดี่อลองนังวันนี้อากาศร้อนวอ i นี้ a n a s เราไปสระว่ายน้ำกันไหม apakah kita pergi ke k ล l a m r e น a ั g งคุณอยากไปไว่ายนะ้ำไหม apakah kamu sedang ingin berenang? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม apakah kamu punya handuk kecil? คุณมีกางเกงว่ายนะ้ำไหม apakah kamu p unya c e l a n a ยน้คุณมีชุดว่ายน้ำไหมามน้ำไมคุณว่ายน้ำไหมคุณมีชุดว่ายน้ a ไหมคุณมีชุว่ายนคุณาไมคุณดว่าน้ำไดาน้ำไมด่น้ไหม Bis a ีชุ k a ่ายน้ำ e หมคามคุณดาน้ำานานไหมคุณนไม่ม คุณกระโดดในน้ำเป็นไหมบิสาาาบน้ำเป a นไหมบิสะคดน้ำเปไหบดน้ำเปไหดน้ำเไหมบิสะคะค้ำเป็นไหมนเปไหสนเนไหสนไหน้า น, าาา น, น, หนไหนมบิส น, น, น, น้ำอยู่ไี่น้ไหนไห Dimana kacamata renang? น้ำลึกไหมเ m apa ามอ n y รน้ำสะอาดไหมเ r ร i h า i บ n y a น้ำอุ่นไหมเ a ร a h า n g ั t อ i r น y a ผมหนาวมาก นคดถึง น, น, น้ำเย็นเกินไป้ำเย็นเกินไปน้ำเย็นเกนเย็นเกินไปน้ำเย้นจกกนไป้ำเย็้วเยนนไ้ำเยยกินกไปกน้ำ ก, าากไป